ภัยแห่งพระพุทธศาสนาความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่23บาบันทึกในการพิมพ์ปีที่สิบหนังสือเล่มนี้เกิดจากการพูดครั้งหนึ่งนานมาแล้วและมีชื่อเดิมตามปฏิกถาที่ได้รับนิมนต์ให้พูดนั้นว่าภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย หลังจากพูดไปในวันนั้นผ่านไป9ก้าวันคือ11กันยายนพุทธศักราชสอ4 4ได้มีข่าวใหญ่ของโลกคือผู้ก่ อ, อ ก, การร้ายขับเครื่องบินชนตึกเ o r l d Trade c e n t เ r ที่เมืองนิวยอร์กแต่ที่จริงตั้งแต่ต้นปี2544นั้นมีข่าวร้ายโด่งดังมาตลอดคือความรุนแรงของผู้ตาลีบันโดยเฉพาะการทำลายพระพุทธรูปใหญ่สองอ ง, องค์ที่เมืองพามิยาน เหตุการณ์ร้ายเหล่านี้คงทาชาวพุทธตื่นตัวขึ้นมาต่อภัยเกี่ยวกับศาสนาจึงมีการสนใจพิจารณาพูดจา ก, กันในเรื่องนี้บัดนี้นับจากพูดครั้งนั้นเวลาผ่านมาจะขึ้นปีที่สิบในพุทธศักราช2554ได้ตกลงปรับขยายชื่อหนังสือว่าภัยแห่งพระพุทธศาสนาความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคนทั้งนี้แม้ชื่อจะยาวมาก แต่ก็จะสื่อสาระและความมุ่งหมายให้ชัดขึ้นพร้อมทั้งปรับเติมถ้อยคำและข้อความบางแห่งให้กระชับความที่มุ่งหมายหวังว่ามนุษย์จะื่นรู้ขึ้นมาพัฒนาการนับถือศาสนาของตนให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรและเกือ้อกูลต่อกันดังที่มุ่งหมายสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตซึ่งขณะนั้นทรงดารงสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ยสแปดธันวาคมพุทธศักราชส5 5พ